ท่านพังที่เคารพคะท่านกลังยในช่วงเวลาของรายการสัสนิยมสนทนาเยนสัสนิยนาคพงดมเนินรายการเราเริ่มต้นกันตอนตีห้แล้วก็จะไปสิ้นสุดกันที่เวลาประมาณตีห้ึ่งของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้เราได้เวลาที่จะมาพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการแล้วพระภิกษุจากจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานวัดป่าดอนหายโศนะคะพระภัยบุญอภิปุนโนคะ่ะ น้มสักการกันท่า น, นค่ะเชิญป น, นในวันนี้เรื่องของพุทธชยันตีนะก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ปรากฏมีพรธเจ้าเนี่ยมันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเหมือนกันคุณยมติวค่ะนะเมื่อไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้านะคือชาติสุดท้ายเนี่ยมีการมาจุติในคันมารดานะคือตอนนั้นมาจากชั้นดาวดึงออขออภยัยมาจากชั้นดุสิต <Okay. S 2> เป็นเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตน้ำมาจุติในคันของมารดาเนี่ยตอนนั้นจะมีแผ่นดินไหว <Okay. S 2> ทีนี้ที่เรียกว่าโอ้โหสันสะท้านสะเทือนทีเดียวนอกจากแผ่นินไหวยังมีแสงสว่างจ้าไปทั่วด้วยจนถึงนรกที่ชั้นที่ลึกที่สุดอนอกจากนี้ก็ยังตอนที่มาประสูตรตอนที่ออกจากคันมารดาตอนนั้นก็จะมีแผ่นดินไหวสันสะท้านสะเทือน <Okay. S 2> แล้วก็ตอนที่แสดงธรรมจักตอนที่ตรัสรู้ก็มีแผ่นดินไหวสถานสะเทือนตอนที่แสดงธรรมจักร แ, แสดงดักเทศกันแรกตรง น, นั้นก็แผ่นดินไหวสถานสะเทือนเหมือนกันแล้วก็ตอนที่ประโงอายุสังขารอันนี้ก็ด้วยแล้วก็ตอนปฏินิพพานนี่คือเหตุที่ว่าจะมีแผ่นดินไหวชนิดที่เรียกว่าหน้าขนพรองสยองกล้าทีเดียวนี้ท่านพระอานนอธิบายไว้ okay. ถ้าพูดถึงสถานสเทือนนี่ก็น่าจะปลาไป 7, เจ็ดแปดริกเตอร์อย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็ <c oughs> ถล่มทลายเลยค่ทต้องพ อ, อย่างนี้เวลาเกิดขึ้นมาเกิดการพังที่หน้าตเสียหายถล่มทลายถ้าไปเกิดตรงที่มีสิ่งก่อสร้างเป็นเมืองเป็นชุมชนช่วงนี้ท่านนำเรื่องนี้มาพูดนี่ทันสมัยมากนะคะคนไทยก็ใจแปวแปอยู่อุดรธา น, นีนี่เงียบสนิทเลยนะ ไม่สะ เ, เทือนอะไรค่ะแต่ว่าถ้าทางใต้หรือแม้แต่กระทั่งวันที่เขาไว้กันแปริกเตอร์กว่าที่สุมารตราเนี่ยนะคะที่อาคารช่องสามเนี่ยค่ะเป็นยังไงละ่ะเขาบอกรู้สึกได้เลยอลสั่นไหวรู้สึกได้เพราะว่าเป็นตึกสูงทีนี้ท่านคะแผ่นดินไหวในครั้งพุทธการนี่ดูเหมือนกับว่าไหวในเหตุการณ์ที่เป็นมหามงคลทั้งนั้นเลยเก็จะมี มีเหตุอื่นด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากเหตุแห่งธรรมชาติแล้วก็ยังมีเหตุแห่งผู้มีฤทธิ์บันดาล น, นะเหตุแปดอย่างนี้จะเป็นลักษณะการไหวของแผ่นดินค่ะ อ, อ๋อมีมีเหตุอื่นด้วยที่จะทำให้็นดินไหวอ๋อค่ะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับที่มันเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบ น, นี้ก็คงจะไม่หนีในเหตุที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้วมั้งคะไม่เห็นได้ก็เหตุหนึ่ง อ่าคือหกอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของพระุทธเ้ใช่ไหมอ่าเรื่องตั้งแต่ตอนจุติตอนประสูตรอ่าตอนตรัสรู้แสดงธรรมจากพระงอายุสังขารแล้วก็ปฐมทิพย์ผ่านหกอย่างนะค่ะอย่างที่7จดและแดเนี่ยเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันคือเกิดแห่งเหตุแห่งจากธรรมชาติะนะธรรมชาติเกิดขึ้นได้หรือว่าอันที่8ปนดะผู้มีฤทธบันดาลเป็นไปได้อ่องอย่างนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าจะมีผู้มีฤทธิ์ใด ที่มีริดมากเหลือเกินทําให้แผ่นดินที่มันแข็งแรงเนี่ย น, นะคะถึงขนาดไหวขนาดหนักอย่างนั้นอืมในที่นี้ที่พอจะกราบเรียนถามท่านได้ในข้อนีนนนน้ว่าน่าจะเป็นผู้มีริดใดเราก็ผู้ที่มีสมาธินี่แหละผู้ที่มีศีลสมาธินเนี่ยสามารถทําได้พระเจ้าเคยพูดถึงอิทธิวิธีอยู่นที่สามารถไปทะลุไปในดินได้เหมือนไปในน้ําอย่างเงี้ยะซึ่งอิทธิตรงนี้ก็คือมาจากการที่มีศีลสมาธิปัญญานอื no. อันนี้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์แผ่ดินไหวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นจากผู้มีฤทธิ์ในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเมื่อกราบเรียนถามท่านไปถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นเหตุของแผ่นดินไหวในข้อนี้เนี่ยว่าน่าจะเป็นบุคคลประเภทใดเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะได้ห า, งาสงสัยกันส่วนที่มันไหวัๆทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ว่าจะทํนายนะคะท่านอว่ า, างไงบ้าง คือเหมือนกับว่ามันเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของเปลือกโลกอะไรอเงี้ยค่ะดิฉัอธิบายไม่ถูกนะคะรู้แต่ว่าเขาอาธิบายเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาอะไรพวกเนี้ยได้อย่างชัดเจนว่ามันมีร้อยเลื่อนของเปลือกโลกนะคะแถมยังอธิบายได้ด้วยว่า เวลามันเกิดการเคลื่อนของแผ่นดินเนี่ยมันเคลื่อนไปในแนวไหนเคลื่อนขนานกันไปหรือว่าเคลื่อนยกตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วแหมมันก็น่ากลัวนะคะคือถ้ามันจะวัดความน่ากลัวเนะี่ยอย่างกับคราวที่ผ่านมาตอนก่อนสงกรานนี่ค่ะแปดกว่าริกเตอร์ที่สุมาต ร, ราใครมีญาติอยู่ในจังหวัดเสียงเช่นภูเก็ตนียดิฉันเชื่อว่าต้องโทรหากันทุกคนแล้วดิฉันได้ ทราบถึงความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าไอความตกใจมากเป็นทำอะไรไม่ถูกอะคะท่านคะนี่แหละนี่แหละจะรู้ได้ว่าเป็นผู้มีกำลังจิตหรือไม่เนี่ยก็เมื่อตอนเกิดสถานการณ์เกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วคุณยังทรงจิตให้อยู่ในอารมณ์ันเดียวได้ไหมพอที่ตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ก็จะชื่ว่าดีถูกต้องพวกเราควรจะ มีสติประมาณไห น, นะคะในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกับเราเพราะอย่างตัวฉันเองเนี่ยงานมาแล้วนะคะเคยอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ดีๆคนข้างบ้านซึ่งเขามีสภาพทางจิตไม่ปกติเขาวิ่งเข้ามาในบ้านพร้อมกับอาวุธนะคะอืมเราขนาดอยู่ในบ้านปิดประตูเนี่ย น, นะคะใจมันเต้นตึกตึกตึ ก, ตกทำอะไรแทบจะไม่ถูกเลยะครับท่านสติตรงนี้พระเจ้าก็บอกว่ามีสติไม่ลืมหลงนะไม่ลืมหลงก็หมายความว่า อ, อย่างเช่นถ้าเรามีลมหายใจล้วก็ไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมที่จะต้องทําอะไรอย่างต่า ง, างๆเนี้ยนี่คือมีสติไม่ลืมหลงอะไรเงินเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพูดถึงว่ า, าคุณมีสติระดับไหนก็ก็ระดับเนี้ยมีสติอย่างไม่ลืมหลงนะแต่เป็นพุทธวัฒน์ชนะคือถ้าเป็นแบบสติแบบโลกโลกเราก็คือตั้งรับกับมันได้ตั้งหลักก่อน <laughs> จะทำยังไงดีจะไปเขาลูกไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าตามแบบธรรมะของพระพุธทธองค์เรียกว่าเป็นสติไม่ลืมหลง <avocado> ใช่ใชเนาะเราจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างสติพวกเนี้ยได้ไหมคะอ๋อได้แน่นอนคือว่าสติเนี่ยเป็นของฝึกได้แตสติแบบว่าความระลึกได้นะถ้าเรามาฝึกก็ค่อยฝึกโดยใช้ลมหายใจของเราเนี่ยมาเป็นเรื่องแห่งการระลึกถึงเนี่ย มันมันจะไปได้เอ่อแล้วก็สติตรงนี้แปลว่าคือบางทีที่คุณยมติบอกว่ า, วาเออเราต้องเตรียมการยังไงมีสติในการเตรียมการซื้อที่ซื้อทางวิ่ไปย้ายไปที่ภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะคือต้องบอกอนี้ว่าภัยธรรมชาติมันไม่ได้มีอย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่แผ่นดินไหวน้ําท่วมมันมีฟ้าผ่าด้วยนะแล้วมันก็มีไฟไหม้ด้วยนะแล้วมันยังมีน้ําท่วมอีกนะแล้วก็มีโจรขบวนนี่ก็มีนะที่ไหนมันก็มีได้ค่ะฉะนั้นหนีไปที่ไหนเนี่ย คุณก็ไม่พ้นความตายใช่ไหมต่อให้คุณอยู่ในห้องล็อกห้องอย่างดีแน่นหนาะมี security guard มีหมอยาบาลเฝ้าถึงวันมันก็ตายเหมือนกันะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติงไงถึงจะพ้นจากตรงนี้ได้อา้าวจะแก้ไขยังไงก็ต้องมีสติก็ลมหายใจรู้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายนี่นะที่พระเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็สบายละ าาที่ว่าสบายเนี่ยหมายถึงอย่างไรเหรอคะสบายก็คือว่าเราจะไม่หลงไปในสิ่งที่ทําให้เราเป็นเป็นทุกข์สบายในที่นี้คือไม่เป็นทุกข์ใจผลเสียของการที่ไม่สามารถมีสติตั้งรับได้คืออะไรคะโอ้โหณนะบัตรนี้นี่คุณเป็นทุกข์ใจอนี่เด้งที่หนึ่งนะ คุณทุกใจระดับนี้ก่อนมันจะกังวลมันจะวุ่นวี่วุ่นวายทำอะไรไม่ถูกดากระดาษคนรอบข้างอันนี้คือคนที่คุณรักษาสติไม่ได้นะอันนี้ก็ในปัจจุบันเด้งที่สองสวยมากๆเลยคุณไปตกนรกนะนรกก่เนิดใดรัชานเปิดวิสัยอบายภูมิแนะ่พวกนี้นี่สวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนพายายามที่จะกลับเรียนถามท่านพบูลก็เป็นเพราะว่า เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มองให้กว้างมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราก็กลัวแต่ว่าภัยธรรมชาติเมื่อเราอยู่ใกล้หรือว่ามีประสบการณ์ที่เห็นภัยธรรมชาติมันน่ากลัวเพราะอย่างกับพอมีแผ่นดินไหวทางโซนที่มันจะมาถึงอันดามันได้ปุ๊บทุกคนนึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี2547ที่สึนามิใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นหัวเป็นใยแถวภูเก็ตกับแถวแถวใกล้ๆเคียงนะคะแล้วก็นึกถึงแต่ภัยเดียว แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอ่านข่าวนี้เมื่อกี้ก็เวทนาเลคะที่บอกว่าคนงานเขาบรรทุกไปทำงานเน่ยเป็นแรงงานต่างด้าวทนอากาศร้อนไม่ไหวก็ตายกันไปก็ตายกันง่ายๆเลยนะคะอัดยัดเยียดที่ฉันมีคุณยายะค่ะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเป็นญาติกันเพียงแต่ว่าอยู่ในสภาพที่สมองท่านไม่ทำงานแล้วเพราะว่า ลูกหลานก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ท่านไปทําบุญนะคะกําลังยื่นซองทําบุญเนี่ยจะถวายเนี่ยปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตกมาจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่าตัดแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเมื่อเรานึกตามกรณีศึกษาซึ่งเกิดขึ้นในหลายลักษณะไม่เว้นตละลวรรณก็ต้องนึกถึงบ่อยๆนะเพราะไม่งั้นมันจะเผลอว่าไปกลัวแต่พาย ทางวัดท่านไปบูชนั้นมีทางเจออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาทไม่ได้ถูกไหมคะใช่เพาอย่างกับที่ฉันอย่างเงี้ยไอ้คราวที่ไปถูกวัวขวิดเนี่ยนะคะต้องกล่าวเรียนท่านเลยว่าเออเร่มมีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันนิดเดียวเท่านั้นเองนะที่มันจะเกิดอะไรที่ไม่ดีกับเราก็ได้ใช่คนที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองจะแบบสบายไปเรื่อยๆขอเข้าโรงพยาบาลสักทีหนึ่งเถอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าอมัน ออกมาจากโรงพยาบาลเที่ยวนี้มันไม่เหมือนเก่าแล้วสภาพร่างกายของเราที่พูดมนทั้งหมดนี่ไม่ให้ต้องแบบกลัวถึงขนาดที่โอ้ยชีวิตนี้มันไม่มีชีวิตชีวาเลยเนี่ยคุณสัมสีมาพูดอะไรกันตั้งแต่เช้าเติมชีวิตชีวาด้วยธรรมะอะไรให้ท่านรหวังสักหน่อยดีไหมคะท่าน <c oughs> ก็คือที่เราพูดเนี่ยเพื่อให้ท่าน อ, อไม่อยู่ในความประมาทนะอย่าตกอยู่ในความประมาทแต่เปนผู้มีสติที่คอยจะเอาพวกอคติส่วนนีน้ออกจากจิต <Okay. S 2> นะพอเรามารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้ความจริงตรงนี้เนี่ยคุณยมติ๋วจะทำให้เรามีความร่าเริงในธรรมนะเพราะว่าจะเราจะมีปีติปามโมทคือคนเราพอมันรู้ความจริงเนี่ยมันมันตาสว่างขึ้นมานะอื <Okay. S 2> ตาสว่างขึ้นมาเนี่ยอก็จะทําให้เราแมมสบายใจอะ่ะ <Okay. S 2> ในการที่จะปฏิบัติต่อไปได้ในความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทีฉันจะเจอ ประสบการณ์ที่คนไม่จะพูดถึงไปบ่อยพอเราพูดถึงว่าเออไปวัดไปฟังธรรมชอบธรรมะอะไรอย่างนู้อย่างนี้เ้าบอกว่าพวกผู้หญิงก็อย่างนี้แหละเชื่ออะไรง่ายบางคนถามนี้เลยนะคะพระหน้าตาดีหรือเปล่าอืคือเขาไม่ค่อยเชื่อว่า <laughs> อถูกดึงดูดด้วยธรรมะอืมท่านคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอ่าการบ้ากนการเมืองหน่อยดีกว่าได้เรื่องปลองดองอะคะอ่ะออเขาพูดกันนักหนาเลย แล้วทีนที้ฉันเองเนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อว่ายิ่งเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้ยต้องธรรมะเข้าไปใส่มากๆอก็ไปเห็นนักวิชาการท่านหนึ่งยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะแต่ว่าท่านขึ้นหัวข้อที่น่าสนใจมากท่านก็บอกว่า้เรื่องปลองดองมันจะต้องพูดกันให้กว้างมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎบัตรกฎหมายอย่างเดียว <S <S อะจะต้องพูดกันถึงเรื่องของการอภัยเนี่ยนะแต่การอภัยเนี่ยปัจจัยของมันไม่ใช่ว่า ลืมสิ่งที่ผ่านมาซะแล้วก็อภัยแต่มันต้องอภัยทั้งที่ยังจำในสิ่งที่ผ่านมาได้เพื่อที่จะได้เป็นอุทาหารณ์ทีนี้ในทางธรรมอะคะ่ะพูดถึงเรื่องของคนที่บาดหมางกันอย่างรุนแรงบาดหมางกันเป็นหมู่คณะมันมีข้อธรรมอะไรคะที่จะช่วยให้คนเนี่ยปรองดองกันได้อ๋อนี้มีอยู่ก็คื อ, อ, อตัวอย่างที่เราเคยพูดกันคือ อ, อ, อะไรนะภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะ ก, กันอ่ะนะ คือที่มันบาดหมางกันเนี่ยเพราะว่าเขาผูกเวรกันนะคนนี้ทำํำฝ่ายนี้ทำฝ่ายนู้นทีนึงฝ่ายนู้นก็ทำฝ่ายนี้นอีกทีนึงนะมันคนละทีแล้วมันก็อมันหืมนะหมห้มนะหุ้มหุ้มนะพอผูกเวรกันอย่างงี้แค่นี้แหละคุณโยมติว๋วไม่มีทางจบไม่มีทางจบนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณคลายการผูกเวร น, นี้ไปได้นะคลายการผูกเวร น, นี้ไปได้ก็จะจบได้นะ จบตรงนี้เราจะคลายความผูกเวรอย่างไรนะคือเราก็ปล่อยวางเท่านั้นเองอะไรผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่คุณยมติ๋บอกให้อภัยนะั่นะให้อภัยเป็นสิ่งดีนะให้อภัยกันแล้วดีทีนี้ให้อภัยแล้วที่บอกว่า เ, ออเราไม่ลืม อ, อดีตนะไม่ลืม อ, อดีตเนี่ยเราต้องออมีเรียนรู้จากอดีตถูกไหมเราไม่ลืมแต่เราให้อภัยนะเราไม่ยึดในอดีตแต่เราเรียนรู้จากอดีตเท่านั้นเองไม่ยึดอดีตเรียนรู้จากอดีตเท่ากับว่า เอาอาดีตที่มันจะดีหรือไม่ดีแล้วทําให้เกิดปัญหาเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนอืมใช่มาเป็นบทเรียนในการที่เราจะดําเนินต่อไปแล้วเราก็ปล่อยวางให้ให้มากไม่ผูกเวรบางกันเถอะฝ่ายนู้นทําเราเราไม่ผูกเวเรแล้วก็ค่อยแก้ไขไปไม่ใช่ว่าเขาทําเราทีหนึ่งเราต้องทําเขากลับสามทีอย่างเงี้ยมันทีนี้มันก็<บ>เหมือนกับว่าอพอพูดเป็นหลักการเนี่ยมันฟังดูง่ายนะคะแต่พอเป็นเรื่องข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ย เว้นที่มันไปผูกูกันไว้ที่ฉันขออนุญาตเลยนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายในเวลาอันสั้นเหมือมันก็เหมือนกับมันเป็นตัวเป็นตนที่บางคนก็เห็นคาตารู้คาใจมันจะวางลำบากมันจะปล่อยไม่ง่ายอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็คงจะแก้ลำบากทีนี้ถ้าสมมุติว่าให้พระสงค์เนี่ยใช้ผู้ทวัจนะไปพิทีปรึกษาประการที่หนึ่งเนี่ยลำดับแรก ต้องให้ทำอย่างไรก่อนดีคะเอ่อถ้าจะคลายการผูกเวรในจิตของเรามีวิธีการอยู่5วิธีที่พุทเจ้าเคยบอกเอาไว้ค่ ะ, น, ะนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เพียวธรรมะเหมือนกันเอ่อจะเราจะคลายความผูกเวรในจิตของเรานะไม่ใช่จิตของคนอื่นนะจิตของเราน ะ, ค, ะคือ1เราต้องเป็นผู้พูดความจริงนะสะต้องเป็นผู้มีความเพียรความเพียรในการที่นี้คือเอาอากุศลออกจากจิตนะค่ ะ, อ, ะอันที่3ต้องเป็นผู้ประพฤติปรหมจรรย์คือต้องปฏิบัติทําบ้าง <Okay. S 2> แล้วก็อันที่สี่นี่สวดมนต์ช่วยได้ <Okay. S 2> แล้วกันที่ห้าที่พูดถึงเมสกูคือเรื่องของการให้ทานค <Okay. S 2> อย่างนี้จะเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีการเบียดเบียนนะคะดังนั้นที่ฉันเข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อเสนอจากรายการธรรมะของเรานะคะสามัีสนทนาเสนอว่าผู้ที่มีบทบาททางตรงเกี่ยวข้องกับการตรองดองโปรดกรุณาเข้าคอร์สนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรม คลายการผูกเวรด้วยการพูดความจริงแล้วก็มีความเพียรมีความประพฤติพรหมจรรย์สวดมนต์ให้ทานก็ขอให้ท่านทํางานรองรับให้สําเร็จนะคะกราบนวิสข ก, การขอพระคุณพระอาจารย์เพริบุญอภิปุป โ, นโนไว้หน้าโอกาสนี้ค่ะเดิญบานท่านฟังครับวันนี้รายการสันสนัญสนทนาใช้เวลามามากเราลากันสั้นๆด้วยคําว่าพูท้ทวัตจนะของพระศาสดา น, นั้นเรามั่นใจเหลือเกินว่าถ้าได้รับการนํามาใช้ กอย่างจริงจังแล้วจะนำพาให้พบกับความสวัสดีในทุกที่ค่ะพุทธวัตสวัสดีค่ะ